ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณและนำเสนอธรรมะอันเป็นคุณสมบัติของผู้ที่เป็นครูก็สืบต่อกันมาสองครั้งด้วยกันท่านนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของครูวิศวมิตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนศินลปะวิทยาแก่ ได้เจะกุมารสิทธัตถะถึงแน่นอนว่าโครงสร้างของการศึกษาในยุคสมัยส่งนั้นก็ถือว่าเป็นยุคทองนะฮะยุคทองทางศาสนาทีเดียวเพราะว่ามันทำงานด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่ว่าเราจะดูพวกครูหรือว่าพวกหมอก็ตามอยหมอชีวโกมารพัทเนี่ยมันมีลักษณะเบื้องพระเทพ เ, เจ้า มันมีการสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือคื อ, คอกูล์กับคนอื่นเป็นหลักแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวของที่ได้มาก็บำเพ็ญกุศลสาธารณะต่อไปมีการสร้างพระอารามพระวิชีวกำรรพันแล้วก็มีการถวายพระพุทธเจ้าถวายพระเจ้าพิมพิสารมอบแก่อภัยราชกุมารเป็นต้น จะยังนึกถึงหมอในลักษณะนี้ในสมัยที่เป็นเด็กๆ เ, เนี่ยพบหมอบ้านนอกที่เกี่ยวกับกระดูกอะไร ต, รต่างๆเนี่ยตลอดถึงรักษาโรคเราอ่ดปรากฏว่าท่านไม่คิดสตังค์มันมีค่าบูชาครูอะไรอยู่ร้อยไอ้บาทห้าสิบนะฮะก็เรียกว่าหกสลึง เป็นค่าบุญชาครูแล้วก็ไม่เดวเองนะฮะพอคนป่วยหายก็เอาสตานั้นไปซื้อกล้วยตักบาทแล้วก็อุทิศกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นแต่เราดูภาพเหล่านั้นคนจะเป็นได้ยากเพราะว่ามันแสดงถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่ารักมนุษยชาติเป็นเรื่องใหญ่ นี้วันนี้จะอยากจะนำท่านผู้ฟังไปศึกษาเรื่องวิชาที่เขาศึกษากันในสมัยนั้นท่านบอกว่าเจ้าชาศจิตตถานั้นศึกษาจบศาสตร์ถึงสิบแปดศาสตร์เอกสาทกรสาที่เราพบเนี่ยฮะบางทีบอกว่าเข้าเรียนเมื่อเจ็ดขวบบางแห่งบอกถึงตั้งตั้งเก้าขวบแต่เราอย่าลืมนะว่า สิบบกขัวสิบบอกพระจันสาก็จบจบการศึกษาก็แสดงว่าเรียนอยู่แค่ตะก้าก็เรียกว่าไม่ถึงสิบปีนะเขาเรียนเร็วมากมากเพราะว่าก่อนตอนที่จบศิลปศาสตร์เนี่ยครูวิศวมิตรบอกว่าหมดภูมิแล้วจะชายเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าที่ครูเข้าใจสกในจุดเดียวกัน เวาเราดูวิชาการต่างๆนี่ก็ศึกษาในศาสตร์สิบแปดศาสตร์นะ mm hmm. ก็ปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเรื่องศาสตร์สิบแปดศาสตร์เนี่ยจริงมันก็ปรากฏในพวกคำพีปฐมสมโพธิแต่ถ้าเราดูโบราณเนี่ยมันอยู่ในธาในธรรมนิติซึ่งก็มาจากชชพูตวีชเช่นเดียวกันชมพูตวิธรรมนิตินี่มันเก่าพอๆกัโลกนิษฐ์นะ รถกนิตจะอาจจะแก่กว่ารกคนันตีแต่ว่ารถแก่กว่าจานักกะยะมันนานมาก แ, แสดงว่าในสมัยที่เขาจะรึกอคำพีนี้สศาสตร์ทั้งสิบแปดก็ยังมีการถกษากันอยู่ประการต่อไปเขาเรียกว่าประการแรกเนี่ยเขาเรียกสูติ คือความรู้รอบตัวก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานคล้คายๆการจัดการภาษาในปัจจุบันเราจะเห็นว่าจากโมหกลงมาเนี่ยมันเป็นความรู้พื้นฐานเฉยๆไม่ได้เจาะลึกไปในเรื่องใด เ, เรื่องหนึ่งคือถ้าจะให้เด็กเอาความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะจริงๆไม่ได้เจาะลึกอะไรไม่ได้เกิดเป็นความจำนิชมนาญ แล้วก็สัมมติการเข้าใจระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์กติกาต่างๆจารีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนี่อันนี้เรื่องใหญ่คนะือวัฒนธรร ม, มนี่มันมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยากที่จะรู้ได้ทั้งหมดมันก็ทำนองคล้ายๆกับศาสนพิธีนะฮะคือไปที่ไหนเวลาใครก็ถามเรื่องศาสนพิธีเนะี่ย ถามมาทำอย่างนั้นถูกไหมอย่างนี้ถูกไม้บมันไม่มีถูกมีผิดนะมันเกิดกุศลนเจตนาแล้วก็ทาลงไปทาไปเลยเพียงแต่ว่าถ้าจ้เาเกณฑ์จะจุดได จ, จุดหนึ่งไปจับเนี่ยมันก็ผิดถูกได้นะชี้ผิดที่ถูกได้แต่ถ้าดูโดยเจตนาลมแล้วการกระทำแล้วเนี่ยมันไม่ผิดไม่ถูกอะไรเพราะว่าไม่มีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเจ้าไม่ได้ทรงวางไวในเรื่องดั น, นั้น เ, เพียงแต่ว่าก็พยายามจะเรียนแบบพระราชาพิธีกับพิธีของกรมการศาสนาซึ่งนั่นก็คือราชาพิธีแล้วก็เป็นพิธีของกรมร่วมพิธีของวัดใดวัดหนึ่งซึ่งมไม่เจาะข้อยุติอะไรแต่ถ้าเราทำให้ได้เสมอกันเนี่ยมันดีคือมาอยัางรู้สึกเสียดายอย่างหนึ่งที่พักได้ น, นนะฮะ คนจากจังหวัดชุมพร ล, ลงไปถึงนาดาธิวาสเวลาประชุมในพิธีกรรมต่างๆไว้พระสวดมนต์เหมือนกันนี่แปลเหมือนกันโดยเฉพาะสวดมนต์แปลหลังสมาสปุโตเนี่ยจะแปลเหมือนกั น, ร น, กนพราะเรียนจากหนังสือที่แปลโดยเจ้าคุณธรรมรุดมเส้งอุตมะธิระด้วยกันต่อมาหลายปีที่แล้วเนี่ยได้ไปที่จังหวัดชุมพร เขาได้บ่นไปเทศปรากฏว่าโยมสวดมนต์ไม่ลงกันนั่งฟังมันผิดกันตรงไหนละมันผิดกันที่คําแปลก็มีเอกสารของท่านพุทธทาสท่านแปลขึ้นมาทีนี้คนเก่าคนแก่เนี่ยเขาก็จําอีกเรื่องหนึ่งคนรุ่นใหม่ก็จําอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปร่วมพิธีกรรมแล้วก็สวดกันไม่ลงมันก็เป็นปัญหา ที่จริงถ้าเราไม่แปลมันก็ลงกงันนะฮะแต่พอแปลเข้ามันก็ไม่ลงกันไม่ลงกันที่ตัวคำแปลเกิดแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่การรักษาระเบียบแบบแผนปรากฏว่ามันผิดทำให้กายศาสมารคคีของคนเนี่ยมันถูกทำลายไปด้วยการที่เราไปแปล แล้วมาเองเคยเตือนผู้รู้สิทธิ์ลูกค้าก็เตือนบอกว่าดูเถอะว่าอะไรที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลไปแล้วเนี่ยเราจะไปแปลคือว่าตามที่ท่านว่านั่นแหละเพราะถ้าเราแปลแล้วเนี่ยมันไปเกิดไปขัดกันเองแต่ถ้าเราสรุปประเด็นเอาเฉพาะเนื้อหานี่ได้นะเกิดเนื้อหานี่ได้แต่ถ้าแปลคำต่อคำแล้วก็ต้องว่าตามที่ท่านว่าเพื่อไม่ให้เรื่องเดียวแปลกันตั้งหลายเรื่อง ที่เขากลัวไม่แปลพระไตรปิฎกออกมาเนี่ยเพราะกลัเรื่องเนี้เกิดต่างคนต่างแปรวันตอนที่มาทําพระไตรปิฎกก็ก็เรียกว่าเป็นการจัดการนะไม่จะทําเองก็รวบรวคมครูบาอาจารย์ขึ้นมาหลายสิบท่านแล้วก็ตกลงกันว่าไอ้ที่ท่านแปลไว้ก่อนแล้วเราไม่แปลแล้วก็ ตรรกะาก็เหมือนกันที่ท่านแปลไว้แล้วเราไม่แปลเราก็แปลเฉพาะที่ท่านยังไม่ได้แปลหรือว่าถ้าท่านแปลแบบเก็บความนะเราก็แปลใหม่เพราะว่าเราต้องการแปลให้เห็นฉับทด้วยให้นึกศัพท์ได้แต่ว่าข้อความก็ค่อนมาทางเป็นไทยนิดหน่อยก็ เ, เรียกแปลโดยอัดแต่ไม่ถึงกับเต็ม ร, รูปทีเดียวก็ทําให้การเข้าใจในการสื่อสารได้ตรงกัน วิชาต่อไปเป็นวิชาคำนวณการคำนวณในสมัยโบราณเนี่ยไม่ใช่เล่นนะคืเรานึกดูถึงว่าโกธปฏิโกธปฏิปฏิโกธอะไรต่ออะไรกันต้านเนี่ยอาศงไขาอาศังขยะคือนับกันไม่หวดัดไม่ไหวแล้วเนี่ยมาของเราเนี่ยมันอยู่ที่ล้านไงแต่ว่าสมัยนั้นมันอยู่ที่โกธแล้วก็ปฏิโกธ ปฏิปฏิโกรแล้วก็ต่อกันไปน้าหดไปตีน้าหดไปอะไรแตโโ่โอ้มันไม่รู้จะนับยังไงเลยคำนวณไม่ใช่เล่นนะพิชาคํานวณแล้วเคยเห็นที่ท่านพูดเรื่องจั ก, กรวาลการห่างกันของจั ก, กรวาลการห่างกันจากโลกน้นตัวสู่โลกน้นใจใจน่ะ <S <S ตัวเลขมันยาวเยอะเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฉันเรียกจั ก, กรวาลจะเรียกอนันต์จั ก, กรวาลหรืออสงไขจั ก, กรวาลหรือแสนโกดจั ก, กรวาลก็ใช้ครับอย่างนี้ ก็คำนวณไม่ไหวก็นับไม่ไหวเวลาหลังก็ค้นคว้าขึ้นมามีด็อเอร์ดักราดเอมเบิร์นเนี่ยเรียบเรียงมาพิเกทิ่งกับพมันตรงกับไปสตรแล้วก็มาเทียบเคียงให้ดูตัวเลขเยอะเหมือนกันอ่านไม่ออกเหมือนกันเป็นตัวเลขยี่สิบสามตามด้วยศูนย์ยี่สิบเจ็ดตัวคือไม่รู้อ่านว่าอย่างไง นั่นก็แสดงว่าไอลักษณะคำนวณเนี่ยสมัยนั่งก้าวหน้ามาคำนวณนับจนจนนึกไม่ออกอะ่ะว่าตัวเลขตัวเลขมันมันจะเขียนยได้ไงหลักการต่อไปก็เรียกว่ายันตศึกษาซึ่งก็โยคะไอโยคะในบางทีแปลว่าการประกอบการกระทําหรือบางทีก็แปลว่าความเพียร น, นะฮะบางทีแปลว่าหลักการบัตรพัฒนาจิต แบบโยคศาสตร์เนี่ยแต่นี้ท่านบอกว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์นกลไกทั้งหลายเพราะสมัยนั้นอย่าลืมว่ามีรถสึกแล้วนะฮะแล้วก็มันสามารถสร้างเป็นเป็นนกครุฑเนี่ยบินไปในอากาศได้ก็เรียกว่าคงจะไปหลายร้อยกิโลอยู่หรอกเอาวันหนีข้ามภูเขาไปได้นะ บินหนีได้สแสดงว่าก้าวหน้าไม่เบาเหมือนกันสมัยนั้นคือเราดูแล้วเนี่ยถ้าดูว่าถ้าไม่มีจริงนะท่านเอาจากไหนมาเขียนสแสดงว่ามีจริงทีนี้การมีจริงเนี่ยก็หมายความว่าความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป บางยุคบางสมัยมันมีความเจริญเกิดขึ้นแล้วก็ระถึงยุคหนึ่งมันขาดการสืบต่อเราดูตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือวิชาที่เกี่ยวกับแพทย์ของฮูโตรเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ให้หลักฐานอะยมากแต่ว่าของหมอชีวโ ก, โกมารพัฒซึ่งก่อนฮูโตเนี่ยก่อนยุคสามก๊กของจีนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะผ่าตัดสมองได้ พาตัดที่กระไข้ส้นหลังได้แล้วก็เป็นริสิดวงในรักษาได้แค่การป้ายยาเพียงครั้งเดียวเป็นโรคในช่องท้องไม่ดนะีก็สามารถให้ดื่มยาปนกับน้ำนมกับไปได้หายหมอชีวกโกมรารพัฒนี้ไม่ธรรมดาแล้วความรู้ปัญหาไปไหน ก็ขาดการสืบต่อคนยุคหนึ่งในขาดการสืบต่อคนตอนนี้ก็หายไปพอหายไปด้านตรงเนี้ยมันก็กลับไปนับหนึ่งขึ้นมาใหม่เทีานั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดนะหรือว่าอย่างวิธีของคนรุ่นเก่าแบบหลวงพ่อเมี้ยนเนี่ยนะแบบหลวงพ่อเมี้ยนวัดโพเนี่ตอกกระดูกกระดูกหักกระดูกแตกบางทีแหลกเล้วเลย แล้วเอามาจัดใหม่ทําใหม่เสกใหม่เรียบร้อยเหมือนเดิมต่อกันได้เฮ้ยมันก็หายไปวิชเาเรื่อนี้จริงอาตมาตอนเด็กๆ ก, ก็ทันเห็นนะนะมันไม่ใช่ว่าเรื่องมันไกลอะไรเราก็เห็นเราก็เคยเห็นแล้วมันเป็นจริงด้วยนี่คือคือสิ่งที่มันหายไปหลักประการคือนิติศาสตร์หรือคำพีพระมนุษย์เราจะเห็นว่านิติศาสตร์เนี่ยโอ้มันมันไม่ใช่เล่นนะ มันก็กลายปเป็นนี่เป็นธรรมนิติเป็นนิติทั้งหลายที่อธิบายถึงหลักการปฏิบัติเอาไว้แล้วก็อยู่ในอทศวิรดาธรรมก็คือข้อว่อาอวิโรธนะเนี่ยคือมันจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆเอาไว้ก็แบบกฎหมายนี่แหละควบคุมบงังคับความประพฤติแม้แต่ศีลห้าที่นหน้าเองบางยุคบางสมัยมันก็เป็นกฎหมายบางยุคบางสมัยมันก็เป็นคุณธรรมเช่นในกุรุธรมรมชาดกเนี่ย ทมของชาวกุรุก็คือสี่ท่านั่นเองแต่ยุคนั้นมันพัฒนาไปเยอะสังคมเปลี่ยนแปลงศีลธรรมสูงขึ้นคนปฏิบัติในแบบธรรมะเพราะปฏิบัติแบบธรรมะมันก็เคลื่อนไหวไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ไม่มีเรื่องอะไรที่สลับซับซ้อนแต่เราจะเห็นว่าในบางยุบังสมัยมันก็กลายเป็นกะลียุคที่เห็นค่ากัน เขนฆ่ากันมันก็ไม่มีอะไรอีกเมื่อทาลายชีวิตทําลายทรัพย์สินล่วงละเมิดทางเพศโกหกหลอกลวงใส่ร้ายกันแล้วก็เสพสิ่งเสพติดให้โทษอย่างเนี้ยกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายก็เข็นฆ่าทาหลายล้างกันก็ไม่เห็นมีอะไรมนุษย์มันก็ซ้ซําๆ ซ, ซากๆเนี่นิติศาสตร์เนี่ยมันจึงเป็นหลักการสําคัญที่ส่วนมากเป็นราชวงศ์คือคือเราจะเห็นว่าวิชาเหล่านี้มันจะหนักไปทางราชวงศ์ ทางวิชาของราชกุมารกับพรมเกกุมานนะฮะกับพรม์กกุมานเด็กเาจะศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นราชกุมารแล้วต่อไปก็เรียวิเศษิกาคือวิชาที่เกี่ยวกับการค้าผ่านานิจุสานการค้าในสมัยนั้นไม่เบากันนะคือถ้าเราศึกษาดูว่าคนเลี้ยงโคเป็นแสนโคโคเป็นแสนจาก จะฝูงเรียกว่าวาสุภานี่เป็นแสนเลยวาสุภาษณอสภาษณวาสภาหลายชื่อนะฮะหลายชื่อก็สรุปว่าเป็นแสนก็มีหมื่นก็มีนะ่ะพันก็มีแต่พันเนี่ยหัวหน้ามันเป็นเขาเรียกอสภาษณ์ใชนาทีหนึ่งประวัตรบางปรตาสตรบอกว่ามีการใช้านาทีหนึ่งเนี่ยมันต่อไรล่ะห้าร้อยลอยนะ มีมีโคพันคู่มีโคห้าร้อยคู่นะะพี่โคร้อยผู้พันตัวแล้วคนไถก็ห้าร้อยคนเปลี่ยนกันแล้วภาคบายก็โคอีกชุดหนึ่งโคอีกชุดหนึ่งไถก็เหมือนเดิมนะฮไถมันไม่เหนื่อยนี่คือเราจะแสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นมันก็ก้าวหน้าไม่เล่นนะการค้าขายเป็นกองคารวานเกวียนอย่างขนาดหนักแล้วก็ไปทางพาณิช พาณิสนาวีเนี่ยก็ถือว่าผานิสนาวีแต่มีข่าวเรือจมอะไรแต่ละอยู่บ่อยนะแม้เรื่องชนกหมาชนกมันก็มีลั ก, กษนะอย่างนั้นก็เรือก็แสดงว่าคงไม่ใหญ่เท่าไหร่ประการต่อไปก็วิชาที่เกี่ยวกัรบระบำหรือการไร่ลำนังกล่าวปศาสตร์นะแล้วสืบต่อมาจนถึงทุกวันอินเดียมันเก่งสืบต่อมาจนถึงทุกวันพวกดนตรีพวกนาฏยศินเหล่า น, นี้นะ มันเรียงกันถึงปยาเอกแล้วสมัยทีย่มาไปศึกษาอยู่ที่ที่อินเดียเราก็พักกันที่หอนะะตกกลางคืนเนี่ยเขาจะร้องอะไรกันฟังเอดนจีนี่แปลกแลปลกแล้วไฟังเอมันไปคล้ายกบกรกีเพราะมันไปคล้ายกับดนตรีทางใต้เสียงจังหวะการจังหวะของดนตรีเนี่ยมันไปคล้ายกับทางใต้เยอะเยอะเลยลรวก็เห็นว่าเออมันคงจะ ไอพวกกรีกมีคนจะเอาเข้ามาที่อินเดียตั ก, กรีกเคยมายึดครองอินเดียนะฮะแล้วก็อินเดียก็นําไปเผยแพร่แล้วก็แพร่หลายเข้ามาอย่างพวกตํานานที่เกี่ยวกับเรื่องมโนราเนีฮยนะตํานานไปไกลามากเหมือนกันนี่ก็แสดงไอ้เรื่องการถ่ายเทวิชาที่เกี่ยวกับการเต้นการรํำอะไรต่างๆแล้วการที่เกี่ยวกับ วิชาเกี่ยวกับพลรรศึกษานะฮะเกี่ยวกับพลศึกษาการฝึกปรือร่างกายให้มีพลานามัยดีศิลปะในการยิงธนูยินได้ไกลจนบางทีเราก็นึกไปออกนะแต่คนนี่เก็ฝึกมามันก็ทาได้ดีจริงๆเหมือนกันเจ้าชายศิทถ า, านี่ยิงธนูตอนประลองอาวุธเนี่ยนะยิงธนูจนแหววืดขึ้นไปเนี่ย ไปลิบๆเลยไม่เห็นที่ตกก็แสดงเรื่องอัศจรรย์แล้วก็ท่านพันธุระเสนาบดีเนี่ยถูกพวกลิจฉวีไล่าตามเนี่ยท่านยิงร้อยเป็นพวงก็ไปเลยทะลุคือประรถประรถตรงใีคนตรงนะท่านยิงทะลุจากคนหน้าไปทะลุคนท้ายเลย คนนั้นยังวิ่งอยู่ครับรถแล้วท่านก็หยุดบอกว่าเราไม่ต้องการรบกับคนตายล่ะพวกคุณเน่ยตายหมดแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าพอถอดเกาะเลือดมันจะออกเะงั้นอย่ารีบถอดเกาะกลับไปบ้านไปสั่งเสียลูกเมียจะ ต, ตายหมดแล้วมันเก่งขนาดนั้นนะ น, นะจะเป็นพวกราชวงศ์มันละพราชวงศ์มันละเป็นมวยปล้ำนะฮะงั้ชื่อมันละเนี่ยมันก็มวยปล้ำเพราะเก่ง และ ว, วิชาที่เกี่ยวกับโบราณคดีอันนี้ก็ปล่อยลิฟต์เหมือนกันนะศึกษาย้อนอนดีตกันไปแล้วก็นำมาเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาหรือแม้แต่ชาดกมันก็โครงสร้างของโบราณคดีเรื่องเรื่องเหล่านั้นก็กลายเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้กันแล้วก็พวก ว, วิชาแพทยแ์แพทย์ไม่ค่อยเด่นน ะ, ะเด่นอยู่เฉพาะหมอชีวกกับมารพัเราก็ไม่เจอชื่อแพทย์ที่เด่น แล้วก็วิชาที่เกี่ยวกับโครงฉันกับกรอนทั้งหลายนะเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยพระสูตรเนี่ยมีเป็นอันมากอาตมาเองยังนึกอยู่ว่ า, วามันเป็นไปได้ไหมว่าตรงเนี่พระวังกีรสาท่านร้อยกลองเป็นฉันขึ้นคือท่านไปขอพรพระพุทธเจ้าเวหาพุทเจ้าเทศเนี่ยท่านขอพรว่าบางพระสูตรเนี่ยท่านขอเรียบเรียงเป็นกรอนได้ไหมเป็นฉันได้ไหมวันนี้มงคลสูตรรัตนาสูตรเนี่ยเราลองขับดูเลยเอาดนตรีประกอบว่าเป็นเพลงเพราะนะฮะ พลังกาเลยตะลุยสวดเพราะเพราะจริงมันกรอนนะคือท่านวังคีสระนี่ท่านเก่งมากเลยโครงชันกับกรอ น, นแล้วก็ขออนุญาตพระเจ้าก็ทรงประธานพุทธานุญาตได้แล้วพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าบางทีอย่างนี้ยรันตสรนสูตรเนี่ยรงอ่พระไอมโวลสูตรเนี่ยเครื่องเทศเป็นกรอนไปเลยบางทีก็ถามถามเป็นกรอนพระเจ้าก็ตอบเป็นกรอนเราจะแสดงว่าแตกฉานมากไปเรื่องอะไรเนี่ย แล้วก็วิชาที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ดวงดาวอะไรต่อะไรเนี่ยเลิกไอนักัตเริกเริกเลิกพาักนาทีต่างๆเนี่ยต่อมาพิชัยสงครามก็มีการเรียนกันแล้วก็ยังนึกถึงบทหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าโยธาชีโบหมายความทหาหานี่ ทหารในพื้นฐานทางสงครามเนี่ยหนึ่งต้องมีชัยภูมิเหนือกว่า้าสึกสองยิงได้ไกลาสามยิงได้ไว4ทํทำลายคุมกังคฆาสึกได้แล้วเวลาเอามาสอนทรรมพระองค์ก็ยกตรงนี้มาแต่ว่าสอนเป็นธรรมะสอนเป็นการปฏิบัติธรรมะเป็นการต่อสู้กับ้าศึกภายในคือกิเลสแต่ใช้อายุทธศาสตร์ข้างนอกมานะฮะ ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็เหมือนเดิมฮะยุทธยุทธวิธีใช้แต่ว่าเปลี่ยนเป้าหมายคือค่าสึดมันเปลี่ยนแล้วก็มีอะไรแสดงไว้ในคัำพ์นี้เยอะแต่ว่าเราเราไม่เคยเอามาพูดอาจารย์สุชีปุญญาณุภาพในท่านเอาไปรวบรวมไว้ในหนังสือลุ่มน้ำน้มาทานเนี่ยไปรวบรวมมาเยอะก็เกี่ยวกับการบริหารบ้านเดือน เกียกัเนี่ยทั้งรัฐศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์ทั้งพิชัยสงครามเนี่ยแล้วก็เหตุุคือทาเหตุศึกษาเหยดการณ์ต่างๆนะฮะอะไรสิ่งนั้นเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงอะไรแต่ไรนี่นะพวกนิมิตต่างๆพวอุกาบาทตกพวกอะไรเนี่ยตลอดถึงคนจะตายไม่ตายสามารถทำนายทายทักได้แล้วเกโตวิชาการพูดวาทศิล อันนี้เก่งจริงๆคนอารยันเนี่ยพูดเก่งจริงๆพูดเพราะด้วยแล้วก็เก่งพูดไดยละเอียดยาวลึกซึ้งจนทุกวันเนี่ยนะจนทุกวันก็ยังเก่งในเรื่องแบบนี้แล้วก็เกี่ยวกับหมุนมันตระมันตระนี่คือมนต์สุดมากจะหนักไปทางสาธยายต้องการความขรังความศักดิ์สิทธิ์ความสงบแล้วก็เราก็นํามาใช้นะฮะของเราก็ถือว่าอสัจฉามาลามันตรามนต์มีการไม่ต้องบ่นเป็นมนต์ทิน บ้านเดือนมีการไม่หมั่นเป็นมนทินเนี่ยก็เอามาใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสวดสาธยายพระคำพีต่างๆแล้วก็วยายกรนะการศึกษาเรื่องสับแสงเรื่องการประกอบประโยประธานและต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามันก็อยู่กับราชกุมารกับพวกพรามกุมาร มันจะหนักไปทางแต่ว่ า, าพราม์กุมารนั้นมันจะหนักไปทางใจเพศเวททางกษัตริย์อิทธิหราษะอะไรต่างๆอีกวิจิตพิสารคือถ้าเราก็ยังนึกนะฮะว่าถ้ามีเงินมันน่าจะจ้างคนให้แปลทำพรีพระเวทออกมามันจะให้อะไรอีกเยอะแล้วก็เรื่องเหลวไหลก็เยอะนะแต่ถ้าเราได้ศึกษาที่พระเวทแล้วเนี่ยมันจะมองเห็นภูมิหลังในด้านต่างๆ อย่างเนี้ยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงทางไม่ควรเสพสองอย่างนะฮะถ้าเราไปมองดูที่ประเวทเราจะเจอว่าทําไมมันมีลักษณะเป็นอย่างไงทางสองประการเหล่านั้นต้องฟังทั้งหลายแต่ลรลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี